ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Innovation for Life เข้ามาพบกับคุณผู้ฟังนะคะทุกค่ำคืนวันสาวแบบนี้เรามาพบกันดึกหน่อยแต่ก็ถ้าคุณผู้ฟังไม่ใช่คนที่นอนดึกนะคะก็สามารถติดตามารับฟังได้ทางเฟซบุ๊กิธีพราชมงคลธัญบุรีแปดสิบเก้าห้านอกจากมีรายการ Innovation for Life แล้วก็ยังมีรายการเื่นๆที่น่าติดตามด้วยนะคะอยากให้คลิกเข้าไปฟังแล้วก็ส่งกาลังใจมาให้รวมถึงถ้าหากว่าต้องการที่จะ สอบถามหรือว่ารับฟังข้อมูลที่แตกต่างจากที่เรามีการนำเสนอก็สามารถส่งข้อเสนอมาได้ค่ะเรายินดีรับและก็ปรับปรุงทุกรายการเลยสำหรับ Innovation for Life ในค่ำคืนนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสุดยอดนวัตกรรมของเยาวชนไทยค่ะเป็นการเรียกว่าคิดค้นผงนาโนอัจฉริยะพิชิตลายนิ้วมือแฝงพิชิตลายนิ้วมือแฝงนะคะเป็นการคิดค้นผงนาโนอัจฉริยะ กระบวนการหรือว่าการคิดค้นนี้จะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกันนะคะกับกิตติทัดคณะสิววงศ์นักศึกษาปริญญาโทภ ร, ระวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจเกล้าทนบุรีค่ะอีกสักผู้หนึ่งเราจะได้พูดคุยกันค่ะสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 สอบถามโทร02 592 1991รายการ Innovation for Life Innovation for Life ในวันนี้ค่ะขอแนะนำแขกรับเชิญซึ่งเป็นเยาวชนไทยนะคะที่ได้คิดคนน้นนวัตรกรรมที่มีชื่อว่าผงนานโนอัจฉริยะกระบวนการของผงนานโนอัจฉริยะในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ ปลายนี้มือแฝงจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับกิติทัศคณะศิวะวงศ์นักศึกษาระดับเนิญโทค่ะภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธมบุรีและตอนนี้ก็อยู่ในสายล้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกิติทัศใช่คะกิติทัศค่ะกิติทัศเรียนสาขาเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมคะ อ่าใช่ครับใช่ครับเรียนฟิสิกส์ครับอืมค่ะแล้วในส่วนของอ่าการพัฒนานวัตกรรมที่ที่บอกว่าเป็นผงนาโนโอัจฉริยะเนี้ยค่ะทีเดัดได้แนวความคิดหรือว่าไอเดียมาจากที่ไหนอยากทราบแบบว่าที่มาที่ไปของการพัฒนาคิดคนนวัตกรรมนี้ค่ะอ่าโอเคครับที่มาที่ไปก็คือเดี๋ดขอเกริ่นก่อนละกันครับว่าอ่า<ช>โดยปกติแล้ว มือของคนเรานะครับมันจะมีการมันจะมีสารคัดล่างอยู่เช่นเหนือเช่นคราบไขมันทีเนี้ยเวลาเราไปจับบนวัตถุต่างๆอผมเรียกว่าเป็นพวกวัตถุพยานแล้วกันวัตถุพวกเนี้มันจะมีพื้นผิวที่แตกต่างกันไปครับในแต่แตและ ว, วัตถุซึ่งพื้นผิวพวกนี้ยอ่าเราสามารถจําแนกได้เป็นสามแบบนะครับก็คือแบบแรกคือพื้นผิวที่มีรูพุนอย่างเช่นกระดาษกระดาษ A4 อะไรประมาณนี้นะพื้นผิวที่มีรูพุนแล้วก็ แบบที่สองนะครับเราเรียกว่าเป็นพื้นถือแบบตุ่งลูพุนก็คือเช่นพวกธนบัตรแล้วแบบที่สามแบบสุดท้ายเนี่ยคือพื้นผิวแบบที่ไม่มีลูพุนเลยนะครับอย่างเช่นพวกกระป๋องพลาสติกแผ่นโลหะทีนี้เวลาที่เกิดเหตุร้ายขึ้นตํำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยากจะเขาก็อยากจะหาตัวคนร้ายซึ่งพยานวัตถุที่มันหาง่ายสุดนะ่ะที่เจอบ่อยที่สุดนะครับมันก็คือลายนิ้วมือ ทีเนี้ยโดยปกติแล้วการที่เราจะไปหาไรเนมือเนี่ยการที่ตำรวจจะหารรยนมือตำรวจต้องพิจนารณาก่อนว่าไรเนมือเนี่ยเกิดบนขึ้นผิวแบบไหนในสามแบบที่ผมกล่าวไปซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันนะครับทีนี้อย่างที่คุณคุณ้นอย่างอย่างถ้าเคยดูหนังนะฮะมันจะมีพวกผงปูนที่ตำรวจเขาใช้การปัดถูกหมครับตัวนี้ค่ะค่ะเคยเห็นค่ะ ไอ้ผงตัวนี้นสามารถปัดได้เฉพาะบนบนวัตถุพยานที่ไม่มีรูพุนเช่นบนแผ่นโลหะอยู่บนกระป๋องอลูมิเนียมเนี้ยอันนี้นสามารถปัดได้แต่เมื่อไหนก็ตามที่รอยนิ้วมือเนี่ยอยู่บนแผ่นกระดาษเราไม่มีทางใช้ผงฝุ่นเนี่ยปัดได้ครับอือค่ะแล้วใช้วิธีการไหนะคะ โดยปกติแล้วถ้ามันมีแร่ในมืมุดกระดาษเนี่ยต้องบอกเขาจะใช้สารเคมีที่เรียกว่านินไฮดินซึ่งมันจะทำให้เกิดสีร่ยน้มือขึ้นมาแต่การใช้สารเคมีอย่างนินไฮดินเข้ามาใช้นะครับมันมันเป็นสารอันตรายมันต้องทำในห้องแรมแล้วก็มันจะเป็นการทำลายตัวอย่างงานไปเลยอืมค่ะค่ะดังนั้นเราจรึงสนใจว่าเออแล้วมันมีนวัตรกรรมอะไรงใหม่ที่สามารถตรวจหาได้ทุกๆุพื้นผิวเลยแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับ Uh huh. ทีนี้เราก็เลยเราก็เลยไปศึกษาครับปรากบว่ามันมีวัสดุชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า อ, อนุภาคนาโ น, โนซิลิกา้าซึ่งอนุภาคนาโนซิลิกาเนี่ยมันมีสมบัติในการไปจับกับพวกสารคัดหลั่งบนผิวอ่สารคัดหลั่งนะครับบนผิววัสดุได้ทีนี้นเราจึงโฟกัสว่าเออซิลิกาเนี่ยน่าจะเอามาทำเป็นผงตรวจร้ายนิ้วมือได้นะนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานนี้ โดยใช้อผงนาโนซิลิกาใช่ไหมคะใช่ครับโดยใช้ผงนาโนซิลิกาครับทีนี้เอมมผม ก, ก็คือแล้วเนี่ยนาโนซิลิกามันก็จะมีขายทั่วทั่วไปแต่ว่าเนื่องจากคือตอนเนี้ยผมขอเกิดว่าอายกตัวอย่างเช่นผงปุ่นที่ตำรวจใช้ครับผงดินําๆเนี่ยมันเป็นสารเคมีแล้วมันมีการนําเข้าทีนี้พอมาเป็นสารเคมีเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะคอนเทิร์นถึงเรื่องสุขภาพของผู้ใช้งานด้วย คือพอมาเป็นงานของเราเนี่ยเราจะใช้ซิลิก้าเจลิงแต่เราก็ยังคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยอยู่เราอยากจะให้ซิลิก้าที่เราใช้เนี่ยมันไม่เป็นสารทีมีนะครับเราจรึงคิดที่ว่าเราจะสั่งเคาะซิลิก้าขึ้นมาจากของเหลือทางการเกษตรที่มันอ่าที่มันปลอดภัยครับอืมค่ะงั้นก็แสดงว่านวัตรกรรมิีนี้ก็คือการเรียกว่าการพัฒนาผงนานโนซิลิก้าโดยใช้วัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรถ้าจะบอกงี้จะจะใช่ไหมะคะ ถูกต้กตองครับถูกต้องก็คือเราใช้ของเหลือจากการเกษตรเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นในการทําำส่วนฝุ่นนานโนซิลิก้าอนนี้เพื่อไปตุดจอะไนมดหอึ่แล้วกระบวนการในการในการเรียกว่าออ่ใช้ใช้เรียกว่าอะไรนะคะของเหลือวัสดุจากการเกษตรที่จะมามาเป็นสารตั้งต้นเนี่ยค่ะมีมีกระบวนการอย่างไรคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะเออ่ได้ได้าคร่าวครับก็คืออย่างของเหลือที่เราเอามาใช้ครับจะเป็นเป็นแกลบนะครับเป็นแกลบที่ อ่าแกลบของข้าวซึ่งซึ่งในแกลบของข้าวเนี่ยเราพบว่ามันมีปริมาณซิลิก้าอยู่ค่อนข้างมากนะครับเราจึงใช้เอกรรมวิธีนะครับในการสกัดซิลิก้าออกมาจากแกลบซึ่งซึ่งซิลิก้าที่เราสกัดออกมาจากแกลบเนี่ยเราพบว่ามีคุณสมบัติที่ดีเทียบเท่ากับของที่สั่งข้อขึ้นมาด้วยวิธีการทางเคมีเลยคือทีนี้ยพอพอมันเป็นผงนาโ น, โนซิลิก้านะครับเพรามันก็คือสามารถใช้งานได้แต่ว่าอย่างแรกคือผงนาโนซิลิก้าเนี่ยมันเป็นผงสีขาว ดังนั้นการนามาใช้งานบนวัตถุพยานเช่นกระดาษสีขาวเนี่ยนะมันคงจะไม่เหมาะว่ามันจะมองไม่เห็นความแตกต่างเราจึงนํำผงนาโนตังนี้ครับมาย้อมกับสีธรรมชาติเพื่อให้มันเป็นผงที่มีสีอืย้อมในที่นี้คืออ่อย้อมเป็นได้ย้อมได้สีเดียวหรือว่าหลายๆสีเพื่อให้มันเข้ากับวัตถุอะค่ะเราสามารถย้อมได้หลายสีครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับอ่สีของพื้นผีวที่เราจะไปใช้งานนะครับอืมค่ะ แล้วสีที่เราไปยอมมันก็ต้องเป็นอ่าจากธรรมชาติถูกต้องไหยคะคือมันไม่จำเป็นต้องจากธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าในไหนเนี่ยเราก็ทําซิลิก้าจากธรรมชาติแล้วเราก็ใช้สีย้อมในธรรมชาติด้วยเลยมันจะได้เป็นอ่าทีมเป็นธรรมชาติทั้งทั้งระบบค่ะเพราะว่าอย่างที่กิติธันบอกในในใ น, ในช่วงต้นว่าผงอ น, น, นูนซิลิกาเนี่ยมั น, ม, นมันก็มีอยู่แล้วแหะที่ที่ที่ที่ทางตารวจเขาใช้พิสูจน์หลักฐานใช่ไหมคะ แต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะเป็นเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะยังยังใช้สารเคมีจะจะมีอาจจะส่งผลต่อผู้ใช้จะจะบอกนี้ได้ใช่ไหมคะอ่าครับคือที่ตำรวจใช้เป็นผงเป็นผงคาร์บอนครับไม่ใช่ซิลิกา้าแต่มัน<อ>เป็นสารเคมีเราจึงไม่อยากใช้คาร์บอนเพราะว่ามันตดไม่ได้ทูกพื้นผิวเราใช้ซิลิก้าที่มันสดได้ถุกพื้นผิวแล้วทำจากธรรมชาติอืมทั้งนั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้นี่ทางอ่า ไม่ไม่มีการนําซีเบก้าเนี้ยมาใช้ในการตรวจออหาอะไรที่มือเลยคอ๋อก็ถือว่าเป็นงานวิจัยงานวิจัยชิ้นแรกเลยนะก็อย่างนี้ค่ะที่นำซีเบก้าเป็นงานใหม่ใช่ครับอืมที่นํามาใช้ในเรื่องของการตรวจหาหลักฐานแล้วอยู่กระบวนการขั้นตอนในในการแบบเรียกว่าวิเคราะห์วิจัยจตอนเนี้ยค่ะอยู่ถึงกระบวนการไหนแล้วคะครับก็คือก็คือตอนนี้ยตัวตัวออ่ ตัวผงขุดนานโนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยตัวย้อมสีเนี่ยก็คือเราเราได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะผู้เชี่ยวชาญของทางกรมวิทยุหลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่ชาติเนี่ยเขาช่วยยืนยันให้ว่ามันสามารถเอาไปใช้ตรวจลายในมือได้จริงหรือเปล่าซึ่งผลที่ออกมาก็คือมันสามารถเอาไปใช้ตรวจลายในมือได้จริงครับผมอืมค่ะถ้ายอย่างนจะจะอยากให้กิติทัศน์สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอผงนานโนซิลิก้าที่พัฒนาขึ้นเประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ ก็คื อ, อผงที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็คือเป็นผงเป็นผงนาโ น, โนซิลิก้าที่เราสังเพราะจากแกลบนะครับทำให้เราได้ซิลิก้าเนี่ยที่มีคุณภาพที่ดีแล้วเป็นมาจากธรรมชาติร0อเเซนจากนั้นเราเอาตัวเนี้ยไปย้อมกับสีธรรมชาติอีกเช่นกันเพื่อให้ได้เป็นผงนาโนซิลิก้าสีที่เหมาะสมกับ ก, บการสุดและเือบนขึ้นผิวและทุกพยาน ท, ทุกชนิด ค่ะแล้วในส่วนของกระบวนการพัฒนาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยค่ะโฟร์แอนด์นอิลิก้าเนี่ยกระบวนการไหนที่ที่เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนหรือว่าแบบออยากที่สุดอ่ะค่ะอกระบวนการที่ยากที่สุดนะครับก็จริงๆแล้วผมผมมองว่าจริงๆแล้วมันมันก็มันก็ไม่มีจะจะเรียกว่ามันก็ไม่มีขั้นตอนที่ยากมันก็ไม่มีขั้นตอนที่ง่ายนะครับทุกๆขั้นตอนมันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับพูดอย่างนี้ดีกว่า ค่ะแล้วในส่วนของการพัฒนาเนี่ยค่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะจนมาถึงขั้นที่นำไปทดลองใช้เนี่ยค่ะเออ ก, กับก็คือที่ทีมพัฒนาขึ้นมาก็ประมาณปีหนึ่งครับหนึ่งปีตอนนี้ออเรียกว่าสักเซสรอรเซ็นแล้วหรือว่ามีส่วนไหนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาเนียคะ ก็ตอนนี้ตอนนี้นะครับก็คือเราจะมีการสอยอยอดพัฒนาเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการขอทุนร่วมกับทางอวอชอนะครับเพื่อพัฒนาต่อไปให้ให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มตำรวจเลยนะครับค่ะอยากให้กิติคัตเองได้ได้สรุปในส่วนของประโยชน์หรือว่าความคาดหวังของทีมงานค่ะที่พัฒนาผงนาโ น, โนสิดิกานี้ขึ้นมาค่ะ ครับเอ่อประโยชน์ก็คืออย่างแรกก็คือถ้าเทียบกับงผงปุ่นปกติที่ตำรวจใช้เนี่ยมันเป็นผงสารเคมีแล้วมันมีการนำเข้าทีนี้มันจะดีกว่ามากๆถ้าเราสามารถใช้องค์ความรู้ภายในประเทศของเราเองเนี่ยทําผงสกรดในมือขึ้นมาที่มันให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของที่เรานำเข้าแต่มันคือภึมิปัญญาของเราเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่า ไหนๆเราคนไทยเราทําอะไรก็ได้ครับเราสามารถถ้าเราสามารถทําของที่ดีเช่นโต๊ะกระตังประเทศเนี่ยมันก็จะเซฟคอสตรงนั้นแล้วมันก็คือนอกจากมันช่วยตารวจนะครับการเอางานตรงนี้มาเนี่ยมันยังช่วยทางกลุ่มกเกษตรได้อีกเพราะว่าอย่างแกลบเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยอ่ะครับมันเป็นเกษเทศประเทศเชือ้ออิดะอาเกษตรกรรม <S <S <S <ừ> ทีนี้เราว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการผลิตข้าวเยอะมากแล้วในกระบวนการผลิตข้าวมันจะมีการสีข้าวซึ่งเกิดแกลบแล้วแกลบจำนวนมหาศาลพวกเนี้ยชาวนาเขาก็ อไม่รู้แต่ ก, การกับมันยังไงครับอาจจะเอาไปทําเชื้อเพลิงเอาไปเผาซึ่งการเผากันนำเชื้อเพลิงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเกิดปัญหามลพิษตามมาอย่าง Tm สองจุดห้าอ่ดที่เป็นประเด็นปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการทํําามทำตรงนี้ยมันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของปัญหาทางนิติภิาศาสตร์แล้วก็ตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะได้ทั้งตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็แกลบของข่าวนาที่ ท, ที่ที่ไม่ได้เกิดมูลค่าอะไรมากนะัก ก็สามารถที่จะนําไปให้เกิดเรียกว่ามูลค่าเพิ่มได้เนาะในอนาคตถ้างานวิจัยนี้เป็นที่ยอมรับค่ะแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเความคาดหวังของกิตติฐานและทีมงานเองจะจะให้มันไปสู่จุดไหนคะเป็นที่ยอมรับของทั้งทั้งวงการวงการของเรียกว่าตํารวจที่จะนํามาใช้ในการพิจารณาหลักฐานและในในส่วนของงานวิจัยอื่นๆต่อยอดไปอีกอยังไงบ้างนะคะ่ะ ก็คือความความคาดหวังสิงสุดก็คือคิดว่างานงานวิวจัยตัวเนี้ยจะเป็นที่ยอมรับแล้วถูกนําไปใช้งานจริงๆในในในกรมวิจัยหลักฐานจริงๆครับเพราะว่าผมมัน่นใจว่านี่เป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคนคาดหวังเลยงานของเขาเนี่ยได้รับการเอาไปใช้งานจริงๆในในวงกว้างนะครับไม่ใช่เสร็จแล้วก็เป็นแค่ผลการศึกษาอืมค่ะก็ต้องบอกว่างานงานกิจของคุณกิติชัดเนี่ยค่ะ เป็นงานใช้เป็นทีสิธจบหรือว่าเป็นงานทดลองในกระบวนการเรียนการสอนคะเออเป็นอ่าคือนี่ครับคือตัวตัวผมเป็นปริญญาโทจบไหมครับก็จะมีเป็นทีมก็จะในในทีมก็จะมีน้อง น, องนองปริญญาตรีซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นอ่าจบของน้องปรตรีพวกเขาครับเราทําร่วมกันค่ะ อ๋อคุณกิจทะก็ทํางานร่วมกับน้องๆปอตีแล้วก็คาดว่า<ด>เพราะว่า ท, ท, ที่สอบถามเพราะว่าเอ๊ะพอคุณกิจทาเรียนจบก็ต้องก็ต้องอาจจะไม่ได้ต่อยอดงานทิมนี้แต่ว่าน้องๆที่เรียนก็สามารถที่หยิบจากงานอ่าทิมนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ได้ครับ ค, คุณกิจทะคะขอสอบถามอีกนิดนึงอก่อนที่จะมาพัฒนานวัตกรรม ที่มีจะเรียกว่าการคิดค้นของนาโนอัจฉริยะนี้ค่ะใช้คําว่าอัจฉริยะแล้วกันนะคะอออะไรที่แบบเหมือนเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแรงบันาดานใจมาก่อนหน้านี้ไหมคะว่าองานนี้น่าสนใจหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่เข้ามาในหัวแล้วก็ทําให้อยากจะศึกษาคิดค้นเครื่องดังกล่าวนี้คะ่ะอืมถ้าถ้า อ, อจะมีอะไรเข้ามาก็ก็คือ อ, อทางทางแล็บนะครับทางอาจารย์ที่แล็บเนี่ยก็คือมี ก็คือมีคอนเนคชันกับทางที่เป็นหลักฐานกลางแล้วก็คือทราบปัญหาขั้นต้นมาว่าอย่างที่ผมบอกไบสเกินตอนแรกเลยว่าเวลาเราเจอรายนิ้วมือในต่างๆพื้นผิวเนี่ยมันก็ต้องต่างวิธีแล้วบางทีมันยึงยากมันจึงจะมีอะไรไหมที่อย่างเดียวเราตรวจได้ทุกทุกพื้นผิวเลยก็คือปัญหามันเป็นปัญหาจากหน้างานจริง <c oughs> ๆที่เร า, เามาคบคิดว่าเออเราจะทํายังไงให้มันสามารถของแค่ยอย่างเดียวแต่ตรวจทุกทุกพื้นผิวอือค่ะ ก็อย่างอย่างที่คุณกิติทัน์บอกแต่ต้นว่าตั้งใจที่จะพัฒนาผงนาโ น, โนที่เป็นมิตรต่อสิงแวล้อมนี่แหละแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตรวจพิสูจน์หลัฐานให้มากที่สุ ด, ด, ด, ส ด, ด, ด, สดและสามารถจรวจได้ทุกพื้นผิวก็คือนี่แหละค่ะผงนาโนโอจัจริยะหรือผงนาโนซิลิก้าที่พัฒนามาจากแกลบนี่แหละค่ะแกลบที่เรารู้จักกันแล้วก็นํามาใช้เป็นเรียกว่าสารสกัดตั้งต้นเนาะ ในการพัฒนาเป็นผงนาโนซิลิก้าอยากให้คุณกีทัดสรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับประโยชน์และความคาดหวังอีกครั้งหนึง่งสำหรับการพัฒนานวัตกรรมนาโนผงอัจฉริยะที่พัฒนาเป็นซิลิก้านี้ค่ะครับโอเคก็คืออยากอยากจะสรุปว่าจริงๆแล้ว ง, งานงานวิจัยของเราเนี่ยเราเราทำขึ้นเพราะว่าเราอยากจะตอบโจทย์ทั้งทาง ที่สุดหลักฐานตอบโจทย์ทั้งทางเกษตรกรเพื่อที่จะเอาของเลยจากการเกษตรเนี่ยมาประยุกต์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มเรียกได้ว่าเป็นการเหมือนสร้างอาชีพตั้งมูลค่าเพื่อใเกษตรกรแล้วก็ยังทําให้เราพบว่าของที่เราทําเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะเทียบเท่ากับของที่นําเข้ามาเลยซึ่งถ้าตรงนี้มันเป็นที่ยอมรับนะครับมันก็จะดีกับทางพิสูจน์หลักฐานเองเพราะว่าอย่างแรกคือเราไม่จําเป็นที่ต้องนําเข้าปุงพวกนั้นแล้วก็ใช้แค่อย่างเดียวเนี่ย ตรวจแล้วจะชุบผิวไม่จะเป็นต้องใช้สารเคมีอันตรายนะครับแล้วก็ความคาดหวังก็คืออยากจะให้งานตัวนี้มันถูกใช้ในวงกว้างจริงๆไม่อยากให้มันเป็นแค่ ง, งานศึกษาครับคุณอืมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณกิติทัศตธนศิววงศ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาทําให้เราได้ความรู้ไปด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาผงนาโนอัจฉริยะซึ่งพัฒนาเป็นเป็นเรียกว่าผงนาโนเรียกว่าผงนาโนซิลิก้าถ้าจะพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะครับผมใช่ครับ ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการพัฒนานวัตกรรมทีนี้และก็ต่อยอดไปใช้งานได้จริงๆนะคะขอบคุณอีกครั้งกับคุณกิติทัศน์ธนะสิววงศ์ค่ะนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอบคุณมากๆค่ะที่มาร่วมในรายการ Innovation i e ค่ะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะครับค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วดิฉันคุณกิ น, นิทองเงาพร้อมด้วยคุณกิตดดิทัฒน์ธนาเสวะวงศ์ก็ต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life